ยะ ส, สัทธาตทาคเอาจราสุปฏิธิตาธาของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวศยรัญจะสกักกนระยานางอาริยะกันตังปังสิตังและศีลของผู้ใดงดงาม เป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปสาโทยสัถิอุชุภูตัญจทัสสนางความเลื่อมใสของผู้ใดมีในพระสงค์และความเห็นของผู้ใดตรงอาธาริทโตติตังอาหุอโมคันตาัสาชีวิตัง บันดิตเรียเขาผู้นั้นว่าคนไม่โจนชีวิตของเขาไม่เป็นมารตาสมาสัทันจะสีลันจะภาษาทางธรรมทัศนังอนุยุนเชตเมทาวิสารังพุทธานาศาสนาง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 สเพสังขาร า, านิจาติญธถาปัญญายปสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งอวงไอเทียงอาธานิปินดาติทุเคเอสมะมคโควิสุทธิยา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 สังขารท้งปวงเป็นทุกข์อาธานิบินดาติทุเ i t เอสม s a ค a k h o w i s u d h y นั้นยอมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอเพธรรมมานัตตาติยาธาปัญญายปัสติ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 อปกาเตมนุเสสุยเย ช, ชนาปรารคามิโนในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนักอาทายังหิตราปาชาและนุทานุทาวติหมู่มนุษย์นอกนานยอมวิงเลาะอยู่ตามฝั่งในนี่เอง เยจะโหสัมธาคาเตธรรมเมธรรมานุวัตินโนก็ชนเหล่าใดประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเดชนาป a r a m e s a n t ิอุทัยยังอนุตตราง ฟังแห่งพระนิพพานข้ามพ้นบ่วงแห่งมาจูที่ข้ามได้ยากหนักการหังงทร ม, มังวิปหายาสุกังภาเวทะปันดิโตจงเป็นบันดิตละทมดำเสียแล้วเจรเญิรทมขาวโอกาหโนกะมาขมาวิเวเกยัธาทุระมัง ตัตตระพิราติมิชยหิตวากาเมหกินจโนจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะตอบพระนิพพา น, านอันเป็นที่สังัดซึ่งสัตว์ยินดีได้โดยยาก าฮาราหะเวปัญจขันธาอันทั้งห้าเป็นของหนักเนื้อปาราหาโรจัปุคาโรบุคคแและเป็นผู้แบกของหนักพาไปอาราดานังดูขังโลเกการแบกถือของหนัก ทุกในโลกภาราณิเคปะนังสุขังการของหนักอิงหลงเสียเป็นความสุขนิขิปตะวาคารุงพารังพ ร, งระาริยเจ้าสลัดของหนักลงเสียแล้วงานยังพารังอาณาธิย ตั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสะมูรังตันหังอาภุยหาก็เป็นผู้ถอนทันหาขึ้นได้กะทั้งรากนิชาโตปรินิพุโตเป็นผู้หมดจับจะหนดไม่มีส่วนเหลือ